วันนี้เป็นวันพระรหัสที่ยี่สิบเจ็ดเมษายนพุทธศักราชสองันห้าร้อหสิหกเป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนหกเป็นวันพระวันธรรมสวนะวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรง กำหนดให้ศรัทธาญาวยุงพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ายธรรมได้ปล่อยวางภารกิจการงานการทำมาหากินต่างๆเพื่อที่จะได้เอาเวลามาศึกษาหาความรู้จากพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นความรู้ที่ ไม่มีใครรู้มาก่อนะนานๆจะมีความรู้อย่างนี้ปรากฏขึ้นมาในโลกสักครั้งหนึ่งธรรมะคำสอนเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุ้ด้วยพระองค์เองและได้เอามาใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับพระองค์เองและ เอามาสั่งสอนเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกเพื่อประโยชน์สุขของผู้ที่ได้ศึกษาได้นำเอาไปปฏิบัติความรู้ทางพระพุทธศาสนานี้จะมีได้ก็ต้องมีการปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าก่อนต้องมีการตัดมีการตัดสิรุของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ ยากมากที่จะปรากฏขึ้นมาในโลกนา น, นานถึงจะมะีมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาตัสรู้ความรู้ที่สัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเหล่านี้ไม่สามารถรู้ได้ด้วยตัวของพวกเราเองแล้วเมื่อพระองค์ได้ทรงตัดสรุ้ความรู้อันวิเศษนี้แล้วพระองค์ก็ทรงนำมามาเผยแผ่ ส, สั่งสอน ให้กับผู้ที่มีความสนใจอยากเรียนรู้ความจริงที่เกี่ยวกับชีวิตของตนเองพอหนังสานที่ได้เรียนได้รู้แล้วได้นําเอาไปปฏิบัติก็ได้พบกับความสุขได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เคยทุกมาเป็นเวลาอันยาวนาน นี่คือสิ่งที่หายากมากคือการเกิดของพระพุทธเจ้านานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดมาตัดสรุ้แล้วก็มาเผยแผ่ธรรมะอันประเสริฐให้แก่สัจโลสโลกทักครั้งหนึ่งแล้วก็ การที่สัตว์โลกจะได้รับคุณได้รับประโยชน์จากพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะต้องมีจะต้องได้มาเกิดเป็นมนุษย์<ม>เกิดในยุคที่มีคาสั่งคาสอน<ม>ถ้ามาเกิดเป็นอย่างอื่นเช่นมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นนกเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นสัตว์ร้ายต่างๆถึงแม้จะอยู่ในวัดอยู่ใกล้ชิดกับพระศาสนาแต่ก็จะไม่สามารถได้รับคุณได้รับประโยชน์จากพระศาสนาเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าไม่สามารถเข้าใจถึงคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าได้จำเป็นที่จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์และการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี้ก็ไม่ใช่เป็นของง่ายเช่นเดียวกันเป็นของที่จะต้องใช้เวลามากมายเพราะว่านอกจากภพของมนุษย์แล้วก็ยังมีภพของของสัตว์ชนิดอื่นซึ่ง ผู้ที่จะมาก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี้อาจจะไปติดอยู่กับภพบต่างๆเพราะกรรมที่ได้ทำเอาไว้บุญกรรมหรือบุญหรือบาป ท, ที่ได้ทำเอาไว้จะเป็นผู้ที่จะส่งให้จิตใจของสัตว์โลกนี้หรือดวงวิญญาณของสัตว์โลกนี้ไปเกิดอยู่ในภพต่างๆ ก่อนที่จะได้มาเกิดในภพของมนุษย์และการจะเกิดในภพของมนุษย์นี้ก็มีต้องมีพ่อแม่ซึ่งจำนวนประชากรของของมนุษย์ในโลกนี้ก็มีไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรของสัตว์เดรัจฉานประชากรของสัตว์เดรัจฉานานี้มีมากกว่าของมนุษย์เป็นจำนวนมากและเวลาเกิดของสัตว์เดรัจฉานนี้ ก็เกิดกันทีได้หลายๆตัวด้วยกันแต่การมาเกิดเป็นมนุษย์นี้น่าจะเกิดได้ทีละคนจากพ่อแม่สองคนก็จะออกรูปได้คนหนึ่งนี่คือความยากลำบากคือความยากของการที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จังหวะที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์มา จในยุคที่มีพระพุทธศาสนาหรือมีพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นเป็นโอกาสที่ยากเพราะการเกิดของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นของที่นานๆานจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งและการที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ <c oughs> ก็นานๆจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่ง <c oughs> แล้วเมื่อ ถ้ามาเกิดไม่ตรงกันมาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาการเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรถ้ามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์กลับมาได้มาเกิดเป็นสัตว์เลี้ยฉานก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน ดังนั้นการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในขณะนี้น่าได้มาเกิดในยุคที่ยังมีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้จึงถือว่าเป็นโชคโชคอันยิ่งใหญ่ต้องถือว่าเป็นของที่ยากอย่างมากที่จะได้พบกับทั้งสองสิ่งในเวลาเดียวกัน คือพบกับความเป็นมนุษย์และพบกับพระธรรมคำส่งคาสอนของพระพุทธเจ้าคือพบกับพระพุทธศาสนาเมื่อเราได้มาเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้เราก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวที่เราไม่มีวันที่จะรู้ได้ด้วยตนด้วยตัวของเราเองเรื่องราวที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวตัวเราก็คือ ว่าเราเป็นใครกันแน่ถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกพวกเราพวกเราก็จะคิดกันว่าเราเป็นร่างกายกันพอเราเกิดมาจากท้องแม่เราก็คิดว่าร่างกายนี้แหละคือเราแล้วเราก็จ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นมา แล้วเราก็จะใช้ร่างกายนี้พาเราไปหาความสุขต่างๆจนถึงวันที่ร่างกายแก่ลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปแล้วความเป็นตัวเราก็จะสิ้นสุดลงเราก็จะตายไปกับร่างกายคือตายแล้วศูนแต่อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นความจริงเพราะความจริงนั้น เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายแต่มีความสามารถที่จะรู้ที่จะคิดสามารถรับรู้สิ่งที่มากระทบกับตาหูจมูกร่้นกายของร่างกายได้เราเป็นดวงวิญญาณที่สามารถมาเชื่อมมา ก็มาติดอยู่กับร่างกายได้แล้วเราสามารถใช้ร่างกายนี้พาให้เราไปทำอะไรต่างๆที่เราต้องการที่จะทำได้แล้วหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็จะอยู่ต่อไปในสภาพที่เป็นเรียกว่าเป็นดวงวิญญาณ ดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราก็จะเป็นผีพะไม่มีร่างกายใจที่เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใจผู้เป็นที่ผู้รับรู้เหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้งายนี้พอเวลาร่างกายตายไปใจนี้ก็จะเป็นดวงวิญญาณ หรือเป็นผีเป็นกายทิพย์ซึ่งกายทิพย์นี้ก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันที่เราเรียกว่าภพต่างๆมีกายทิพย์ที่อยู่ในภพสวรรค์ชั้นต่างๆมีกายทิพย์ที่อยู่ในอบายชั้นต่างๆการที่กายทิพย์ของเรานี้ ือดวงวิญญาณของเรานี้เป็นอะไรต่างๆนั้นก็เกิดจากบุญและบาปที่เรากระทำกันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราทำบุญกายทิพ์ของเราก็จะเป็นสวรรค์เป็นเทพหรือเป็นพรหมหรือเป็นพระอริยบุคคลขึ้นอยู่กับ บุญชนิดต่างๆที่เราทำถ้าเราทำทานกายทิพย์ของเราก็จะเป็นเทศถ้าเราภาวนาฝึกสมาธิเข้าฌานได้กายทิพย์ของเราก็จะเป็นพรมถ้าเราเจริญปัญญามีดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาเห็นอริยสัจสี่เห็นตลายรับแล้วสามารถปล่อยวางหรือละความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจของเราได้ดวงวิญญาณของเราก็จะเป็นเป็นอริยเจ้าหรือเป็นอริยบุคคลและจะไปสูงสุดที่พระนิพพานเมื่อใจได้ใช้ปัญญาและสมาธินี้มากำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปพอใจ ได้กาจัดได้ล้ความอยากหมดสิ้นไปแล้วใจก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดใจก็จะอยู่ที่นิพพานที่เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีตายลักไม่มีอนิจจังทุกขังอนาัตตาเป็นสวรรค์ที่มีแต่ความสุขเป็นบรลลังกดมรร เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของภพต่างๆเป็นความสุขเหนือกว่าภพของพรหมภพของเทพภพของมนุษย์อันนี้เกิดจากการกระทำบุญต่างๆทําความดีต่างๆ mm hmm. เช่นทําบุญทําทาน mm hmm. นี่ก็จะทําให้กายทิพย์นี้เป็นเทวดาถ้าฝึกสมาธิถือศีลแบบฝึกสมาธิได้ กายทิพย์นี้ก็จะกลายเป็นพรหมแล้วถ้ามีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นอ ร, ริยสัจสีเห็นไตร ล, ลักษณ mm. ์ก็สามารถละความอยากต่างๆภายในใจให้หมดซึ้นไปได้ใจก็จะเป็นพระอริยบุคคลเป็นนิพพานขึ้นมานี่คือเรื่องราวของใจของพวกเราที่พวกเราจะไม่มีวันรู้เลยถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟัง พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะคิดแบบคนทั่วไปคิดว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วเดี๋ยวเวลามันตายมันก็จบมันไม่ได้ไปไหนต่อมันไม่ได้ไปสวรรค์มันไม่ได้ไปนรกมันไม่ได้ไปอบายมันไม่ได้ไปเกิดใหม่เพราะร่างกายมันไม่ได้เป็นตัวที่จะไปเกิดใหม่มันไม่ได้เป็นตัวที่จะไปสวรรค์ไปนรกตัวที่จะไปสวรรค์ไปนรกไปไปเกิดหม่นี้ ก็คือายทิพย์ที่มาเกาะติดกับร่างกายในตอนนี้ตอนนี้เรามีสองกายด้วยกันเรามีกายหยาบคือร่างกายแล้วเรามีกายทิพย์คือใจผู้รับรู้รูปเสียงกลิก่นรสผดท่าพที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใช้ความคิดนี้สั่งการให ร่างกายไปหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาให้กับใจได้เสพเนื่องจากใจนี้เป็นเหมือนกับผู้ติดยาเสพติดสิ่งที่ใจเสพหรือติดก็คืออะไรก็ติดในโลกกระมนั่นเองโลกกระมคืออะไรโลกกระมก็คือลาบยศสรรเสริญ และความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสพลพะชนิดต่างๆนี่คือเป็นยาเสพติดของกายทิพย์ที่พาให้กายทิพย์นี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆหรือถ้าไม่ได้ร่างกายของมนุษย์ก็ไปได้ร่างกายของเดรัจฉานบางครั้งบางคราวถ้าถ้ามีบาปทำเอาไว้ก็แทนที่จะได้ร่างกายของมนุษย์ ก็จำเป็นที่จะต้องไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานก่อนเพราะอนิสงส์หรือหรือกำลังของบาปทำให้ยังไม่สามารถที่จะไปรับร่างกายของมนุษย์ได้ก็จะไปรับร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานนี้มาเป็นเครื่องมือในการเสดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ สัตว์เดรัจฉานนี้เขาว่าเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเหมือนเหมือนมนุษย์เราเขาก็ยังชอบดูชอบฟังชอบกินชอบดื่มชอบเสพชอบเสพกามชอบร่วมหลับนอนชอบมีเพศสัมพันธ์เหมือนกับเป็นมนุษย์เหมือนกับมนุษย์ต่างตรงที่ว่าร่างกายของเขาเป็นร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเพราะอำนาจของบาปที่เขาได้ทำเอาไว้ในอดีตชาติ บังคับให้เขาต้องไปได้ร่างกายของสัตว์เลี้านก่อนจนกว่าบาปที่เขาได้ทาไว้นั้นมันถูกถูกใช้ไปหมดแล้วมันถึงจะได้มีโอกาสได้มามีร่างกายของมนุษย์อย่างพวกเราพวกเราก่อนที่เราจะมาได้ร่างกายของมนุษย์นี้เราก็อาจจะมาจากที่สูงก็ได้หรือมามาจากที่ต่าก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานะของกายทิพย์ของเราว่าอยู่ในสถานะใดถ้าชาติก่อนเราทำบุญไว้มากกว่าทำบาปกายทิพย์ของเราเวลาที่ร่างกายตายไปกายทิพย์ของเราก็จะไปไปอยู่ในสวรรค์ไปเป็นเทพเป็นพรมแล้วก็พอที่พอบุญเนื้อบาปที่เราพอบุญที่เราได้ เสบมันหมดลงบุญที่ส่งให้เราไปเป็นเทพไปเป็นพรหมมันหมดลงเราก็จะมาได้ร่างกายของมนุษย์กันอีกทางหนึ่งก็คือถ้าเรามาจากที่ต่างก็คือชาติก่อนเราทำบาปไวมากกว่าบุญพอเวลาร่างกายของเราตายไปกายทิพย์ของเราก็จะต้องไปเป็นกายทิพย์ของอบาย ก็คือเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นนรกจนกว่าบาปที่เราทำไว้มันหมดลงหรือเหลือเหลือน้อยลงก็อาจจะทำให้เรามาได้ร่างกายของสัตว์เวลี้ลานก่อนและหลังจากนั้นพอบาปมันหมดลงเราถึงจะได้กลับมาได้ร่่งกายของมนุษย์นี่คือสภาพ ของกาย ท, ที่มาจากที่ต่ามาจากภพที่ต่าคือมาจากอบายสีมาจากนากมาจากเดรฉานมาจากเปรตมาจากกระสุลกายมาได้ร่างกายของมนุษย์โลกเหล่านี้จึงมีมนุษย์ที่ดีและมีมนุษย์ที่ชั่วปะปนกันไปมนุษย์ที่มาจากที่ต่ามักจะชอบทำความชั่วกันมากจะชอบทำบาป ก, กัน ส่วนมนุษย์ที่มาจากที่สูงมาจากพรมมาจากเทพก็จะมักจาชอบมาทำความดีกันมาทำคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้ไม่เบียดเบียนไม่ชอบเบียดเบียนเป็นผู้ที่มีความเมตตากราุณาบุญดีตาต่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแต่ผู้ที่มาจากที่ต่ามาจากปบายนี้ จะเป็นพวกที่มีมีจิตใจที่ทารุณโหดร้ายมีจิตใจที่จะชอบเบียดเบียนผู้อื่นชอบรังแกผู้อื่นชอบทําร้ายผู้อื่นเพื่อที่จะได้สิ่งที่ตนเองต้องการ น, นี่คือเรื่องของตัวของพวกเราที่แท้จริงไม่ใช่ร่างกายตัวของพวกเรานี้คือดวง ดวงดวงวิญญาณหรือกายทิพย์ที่ตอนนี้มาเกาะติดอยู่กับร่างกายเราจึงมีสองร่างด้วยกันมีกายทิพย์กับมีกายหยาบกายหยาบก็คือกายคือร่างกายของเราอันนี้ที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราซึ่งความจริงมันไม่ได้เป็นตัวเราเลยมันเป็นเพียงแต่ผู้รับใช้กายทิพย์ที่เป็นตัวเราจริงๆเรานี้เป็นกายทิพย์ แล้วเราก็มาได้ร่างกายอันนี้เป็นบ่าวเป็นผู้รับใช้เราเพราะเรายังเป็นเราเป็ น, เ ป, นเป็นพวกที่ยังติดยาเสพติดเรายังพวกเป็นพวกที่ติดโลกกระทอยู่ยังติดลาบยศสารเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เราก็เลยต้องมามีร่างกายเพราะเราต้องการที่จะหาความสุขจากลาบยศสารเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพธชชนิดต่างๆนั่นเองมันก็เลยทำให้เรานี้ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะการที่เราเป็นผู้ที่ติดยานี้มันจะไม่สามารถที่จะเลิกได้ถ้าเรายังไปทำตามความอยากเราอยู่เรื่อยๆเช่นถ้าเราติดสุราเนี่ยถ้าเรายังดื่มสุราอยู่เรื่อย ความอยากดื่มสุรานี้มันก็จะไม่มีวันหมดไปถ้าเราอยากจะให้ความอยากสุราถ้าเราอยากจะมาเลิกสุราเลิกไม่ติดสุราเราก็ต้องไม่ดื่มสุราทุกครั้งที่เราอยากถ้าเราสามารถฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากได้ต่อไปความอยากที่จะดื่มสุรามันก็จะหมดไปเอาหมดไปเราก็จะเป็นคนที่ไม่ ไม่ติดสุราอีกต่อไปถึงแม้จะมีสุรามากมายเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเวลาที่เราเห็นสุราถ้าเราไม่มีความอยากดื่มสุราแต่ถ้าเรายังไม่สามารถหยุดความอยากดื่มสุราได้ทุกครั้งที่เราเห็นสุราและคิดถึงสุรานี้ใจของเรานี้จะมีความอยากทันทีมีความรู้สึกหงุดหงิดทันทีถ้าไม่ได้ดื่มสุรา นี่คือปัญหาของของกายทิพย์ของพวกเรากายทิพย์ของพวกเราตอนนี้เป็นเหมือนผู้ที่ติดยาเสพติดยาเสพติดที่เราติดกันก็คือความสุขจากลาบยศสารเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดถภาชนิดต่างๆพวกเราทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้ไม่ต้องมีใครมาสอนเราว่าให้เราไปหาลาบยศสารเสริญ ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดภ พ, พกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเคยหาเคยติดมาเป็นเวลาอันยาวนานพอเรามาเกิดในโลกนี้ปั๊บเนี่ยพอเราเห็นเงินเห็นทองปับ๊บเราก็อยากได้พอเราเห็นตําแหน่งเห็นยศเราก็อยากจะได้เวลาเห็นรางวี่รางวัล ก, การสรรเสริญเยืนยอเราก็อยากจะได้ เวลาที่เราได้สัมผัสกับลูกเสียง ก, กลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆเราก็อยากจะเสพมันขึ้นมา ท, าทันทีโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องคอยสั่งสอนเลยนอกจากว่าจะต้องคอยเบรกไว้เสียมากกว่าเพราะว่าบางทียังเป็นเด็กอยู่ยังไม่สามารถที่จะจัดการกับความอยากของตนได้ในขอบเขตที่ไม่เป็นอันตราย ก็ต้องคอยห้ามไม่ให้ไปเส็บให้ไปหาความรู้ก่อนให้ไปศึกษาไปเรียนหนังสือไปหาความรู้เพื่อที่จะได้มีความสามารถในการที่จะบริหารจัดการกับชีวิตของตนให้ไปในทิศทางที่ปลอดภัยแต่โดยธรรมชาติแล้วคนทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้ต้องการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสผดพะกันทุกคนยกเว้นพวกที่มามาจากสวรรค์ชั้นสูงหรือพวกที่มาจากสวรรค์ชั้นพรมหมเนือท่เนือมาเนือเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งหรือท่านที่สองนี้ก็ยังจะกลับมาเกิดในโลกนี้แล้วก็ยังจะมาหาความสุขจากราบยศสรรเสริญอยู่ อันนี้คือความจริงที่พวกเราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะคิดว่าเราเป็นร่างกายและเราก็มีหน้าที่หาความสุขให้กับร่างกายของเราโดยการไปหาราบยศสรรเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆมาเสพเมื่อเราเสพแล้วเราก็มีความสุขแต่มันก็เป็นความสุขชั่วคราว เพราะว่าเหมือนยาเสพติดนยพอระยะเวลาผ่านไปไม่นานความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสเสเพราบยศสรรเสริญมันก็จางหายไปแล้วมันก็ทำให้เราเกิดมีความอยากที่จะเสพใหม่เราก็ต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆเราก็เลยต้องคอยหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่างๆไปเรื่อย ไปจนวันตายเลยแล้วตายไปความอยากที่ยะเสพมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะว่าความอยากที่จะเสพราบยศเสริญสุขนี้มันอยู่ในใจอยู่ที่กายทิพย์ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วความอยากตัวนี้แหละที่มันพัจนาให้เราจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หลังจากที่เราได้ไปรับผลบุญผลบาป ในในข้าของกายทิพย์ก่อนไปสวรรค์ถ้าเราได้ทำบุญไว ม, มากกว่าบาปไปอบายถ้าเราได้ทำบาปมากกว่าบุญจนกว่าบุญและบาปนั้นไม่สามารถที่จะส่งผลให้เราไปสวรรค์หรือไปอบายได้เราก็จะมาได้ร่างกายอันใหม่แล้วพอเราได้ร่างกายอันใหม่เราก็จะมาหาราบยศสรรเสริญสุขกันใหม่อีกรอบหนึ่ง มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นไม่มีวันสิ้นสุดที่เราเรียกว่าการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดก็คือกายทิพย์ของพวกเรานี่แหละผู้ที่เป็นผู้ไปเวียนว่ายตายเกิดกันไม่ใช่ร่างกายร่างกายเราก็รู้กันว่าไปไหนหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วร่างกายไม่ได้ไปสวรรค์ร่างกายไม่ได้ไปนรกไม่ได้ไปเป็นอะไรทั้งสิ้น ร่างกายมันกลับคืนสู่ที่เดิมของมันมันมาจากธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟที่มารวมตัวกันมาสร้างร่างกายนี้ขึ้นมามาทำให้ร่างกายมีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆทำมาจากธาตุทั้งสี่นี้ เพื่อาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่เราคอยเติมอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกเวลาเราต้องคอยเติมธาตุลมอยู่ตลอดเวลาขาดธาตุถะถะลมไม่ได้ขาดธาตุถะถะลมไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กี่นาทีก็ตายเราต้องคอยหายใจอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี้เรากำลังเอาธาตุลมเข้ามาในร่างกายเวลาที่เราดื่มน้ำดื่มของเหลวต่างๆนี้ เรากําลังเติมธาตุน้ําให้กับร่างกายเวลาที่เรารับประทานอาหารรับประทานของแข็งของที่ขบเคี้ยวนี่เรากําลังเติมธาตุดินให้กับร่างกายแล้วเมื่อธาตุทั้งสามนี้มันเข้ามาในร่างกายมันก็ผลิตธาตุที่สี่ขึ้นมาคือธาตุไฟแล้วเราก็รับธาตุไฟจากแสงจาก จากความร้อนของดวงอาทิตย์อีกด้วย<ฤ>เพราะถ้าโลกนี้ขาดดวงอาทิตย์นี้โลกนี้จะไม่มีธาตุไฟถ้าไม่มีธาตุไฟแล้วโลกนี้ก็อยู่ไม่ได้โลกนี้จะไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเช่นต้นไม้หรือมนุษย์หรือสัตว์เดราชานนี้จะอยู่ไม่ได้ without. ถ้าขาดธาตุทั้งสี่ต้องมีธาตุทั้งสี่ครบบริบูรณ์ถึงจะทาให้สิ่งที่มีชีวิตต่างๆนี้ ปรากฏขึ้นมาและตั้งอยู่ได้แต่มันก็เป็นสิ่งที่อยู่ไม่ได้ตลอดไปมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลง<ม>เช่นเดียวกับร่างกายของพวกเราทุกคนมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องมีวันสิ้นสุดลงไม่ยกเว้นว่าเป็นร่างกายของใครของพระพุทธเจ้าของพวกเราผู้เป็นปุถุชนนี้ก็เหมือนกัน ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันไม่มีเพราะนี่เป็นธรรมชาติของร่างกายแต่ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้ที่ไปเกิดใหม่ผู้ที่ไปเกิดใหม่ก็คือกายทิ่ผู้ที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือผู้ที่ใช้สั่งการให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆนี้ผู้ที่สั่งการนี่แหละเป็นผู้ที่จะไป รับผลบุญผลบาปแล้วก็จะไปเกิดใหม่ถ้ายังไม่สามารถที่จะามาหยุดความอยากต่างๆที่มีในกายทิพย์ให้หมดไปได้เพราะความอยากนี่แหละเป็นตัวที่พาให้กายทิพย์ต้องไปมีร่างกายไปหาร่างกายไปได้ร่างกายแล้วจะได้ใช้ร่างกายไปเสพยาเสพติดของกายทิพย์ก็คือราบยศสรรเสริญสุขนี่ นี่คือเรื่องราวที่เราจะไม่มีวันรู้ได้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดกับการไปเสพโลกธรรม ท, ทั้งสี่นี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เรามาเกิดเราก็จะไปเสพลาบยศเสริญไปเสพลูกเสียงกิเลสโผฏฐภะกันแล้วแล้วเราก็พอตายไป เราก็ไปเป็นกายที์ในรูปแบบต่างๆก่อนเพราะขณะที่เราเสพเราอยู่เป็นมนุษย์เพื่อเพื่อเสพลาบยศสรรเสริญสุขเวลาที่เราเสพบางทีเราก็เราก็ต้องใช้วิธีกรรทำบาปเราก็ถึงจะเสพได้บางทีเราก็มีมีลาบยศสรรเสริญมากกว่าที่เราจำเป็นจะต้องมีบางครั้งเราก็แบ่งให้กับคนอื่น เราก็จะไปทําคุณทําประโยชน์มันจึงทําให้เกิดมีการทําบุญทําบาปในขณะที่เราเป็นมนุษย์กันเป็นมนุษย์เวลาที่เราหาราบยศสารเสริญสุขไม่ได้ด้วยวิธีสุจริตเราก็จะไปหาราบยศสารเสริญสุขด้วยวิธีทุทจริตกันือด้วยการทําบาปด้วยการฆ่าสัตว์บ้างด้วยการลักทรัพย์บ้างด้วยการประพฤติผิดประเพณีบ้าง ด้วยการโกโหกหลอกลวงบ้างเพราะเพื่อที่เราจะได้เอาสิ่งที่เราอยากจะเสพมาเสพนั่นเองเราอยากจะได้ลาบคือเงินทองบางทีหาเงินทองด้วยวิธีสุจริไม่พอใช้ mm. ก็เลยต้องไปหาโดยวิธีทุจริตต้องไปทำบาป mm. แต่บางคนก็เป็นคนที่มีความสามารถหรือเป็นคนมีโชคสามารถหาเงินทองได้มากมายจนใช้ไม่หมด ก็เอามาแบ่งให้กับคนอื่นใช้บ้างเอามาทำคุณทำประโยชน์มาช่วยเหลือสังคมด้วยวิธีการต่างๆสร้างโรงเรียนบ้างสร้างโรงพยาบาลบ้างทำอะไรต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นเพราะเนื่องจากว่ามีเงินทองมากเกินไปเกินกว่าที่ตนเองจะต้องการจะใช้ก็เลยแบ่งให้กับผู้อื่นก็ได้ได้ทำบุญนี่คือที่มาของการมาเกิดแล้วมีการมาทาบุญมาทบาบาปกัน ก็เพราะว่าเนื่องจากการที่เราแสวงหารากยศเสริญสุขนี้ของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันบางคนหาได้ยากบางคนหาได้ง่ายอาจจะเป็นเพราะความรู้ความสามารถของแต่ละคนไม่เท่ากันหรืออาจจะเป็นโชคหรืออาจจะเป็นจังหวะของชีวิตที่ทำอะไรก็ได้ไ ด, ได้ทุกอย่างที่ต้องการนะบางคนก็จังหวะไม่ดีทำอะไรก็ไม่ได้อะไรทักไม่ได้อะไรเลย ก็เลยทําให้ต้องไปทําบาปบ้างหรือไปทําบุญกันบ้างในขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์และการทําบุญทําบาปนี้แหละเป็นตัวที่ทําให้กายทิพย์นี้เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วนี้ต้องไปอบายหรือไปสวรรค์กันไปเป็นเปรไปเป็นนสุลกายหรือไปไปนรกกันหรือถ้าทําบุญไว้ก็จะได้ไป ไปสวรรค์กันไปเป็นเทพเป็นพรหมกันนะครัการที่เราไปขณะที่เราเป็นกายทิพย์นี้เราอยู่ในโลกทิพย์เป็นอย่างไรเราก็มีหนังตัวอย่างให้เราได้สัมผัสได้ได้รับรู้เช่นตอนที่เรานอนหลับกันนี้เวลาที่เรานอนหลับนี้ก็เหมือนเวลาที่เราตายเพียงแต่ว่าตาย่วคราวตายไม่นานเวลาที่เรานอนหลับนี้ร่างกายก็เหมือนคนตาย ร่างกายไม่ทำอะไรทำอะไรไม่ได้ก็เหมือนกับคนตายแต่กายทิพย์ของเรานี้ยังทำอะไรได้อยู่พอพอเราไม่สามารถพอกายทิพย์ไม่สามารถใช้ร่างกายให้ไปเสพลาบยศสารเสริญสุขได้ไปหาลาบยศสารเสริญสุขมาเสพได้กายทิพย์ก็เลยต้องอาศัยการ การเสพในอดีตการเสพในอดีตคือในขณะที่ที่เราตื่ดกันเราก็อาจจะไปเสพลาบยศสารสิญสุขด้วยวิธีทำบาบ้างด้วยวิธีทำบุญบ้างเวลาที่เราไปเราไปทาบุญเราก็จะเกิดความสุขเวลาที่เราไปทำบาปนี่เราก็จะเกิดความทุกข์เพราะว่าการกระทำบาปมันเป็นเหตุการณ์ที่มัน ทำให้เราเกิดความทุกข์กันแต่เวลาเราไปทําบุญนี้มันก็จะมีแต่เหตุการณ์ที่จะทําให้เราเกิดความสุขกันพอเวลาที่เรานอนหลับเราไม่สามารถใช้ร่างกายพาให้เราไปเสพรากยศสารเสริญสุขแบบสดสดน้อนได้เราก็ต้องอาศัยของเก่าของที่เราได้เสพมาแล้วในในในในอดีตคือความทรงจําำ บุญที่เราทำนี้มันจะถูกเก็บไว้ในความทรงจำเช่นเดียวกับบาปมันก็จะถูกเก็บไว้ในความทรงจำทีนี้เวลาเรานอ น, อนหลับนี่แบาปหรือบุญที่เราเก็บไว้ในความทรงจำนี้มันจะโผล่ขึ้นมาในขณะที่เราหลับก็<ม> อ, อยู่กับว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าฝ่ายบุญนี้มีกำลังมากกว่าเราก็จะได้เสพเรื่องเหตุการณ์ที่เราไปทำบุญกัน ทำเรื่องจะมีเรื่องราวที่ดีๆให้เราได้เสพได้สัมผัสก็คือว่าเราจะได้ฝันดีกันเวลาที่เรานอนหลับฝันดีนี้เรียกว่ากายทิพย์ของเรานี้ได้ได้ได้อำนาจของบุญที่เราได้ทำไว้มาสร้างความฝันที่ดีให้กับเราได้เสพได้สัมผัสแต่ถ้าเราฝันร้ายนี่ก็แสดงว่ากายทิพย์ของเรานี้ได้ ได้ได้ได้ได้เอาบาปที่เราได้ทำไว้นี้เอามาแสดงผลให้เราได้ดูกันก็จะเป็นเรื่องราวที่ทีไ่ไม่ไม่ไม่สุขมีแต่เรื่องราวที่ทุกข์ที่วุ่นวายที่มีปัญหามีเรื่องหวาดเสียวเรื่องหน้าหวาดกลัวอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้แหละคือสภาพของกายที่เวลาที่ไม่มีร่างกาย ซึ่งเราสามารถดูหนังตัวอย่างได้ในขณะที่เรานอนหลับถ้าเรานอนหลับฝันดีนี่มันก็เป็นเหมือนกับเป็นเป็นข้อบ่งบอกว่าเวลาเราตายไปเราจะไปอยู่สวรรค์กันเราจะมีแต่เรื่องดีๆเราจะฝันแต่เรื่องดีๆในขณะที่เราไม่มีร่างกายในขณะที่เราอยู่ในโลกทิพย์เราก็จะเสพแต่เรื่องที่ดีๆถ้าเราฝันร้ายนี่มันก็จะบ่งบอกว่า เวลาเราตายไปนัง่งจายกายทิพย์ของเรานี้ก็จะไปเสกเรื่องที่ไม่ดีต่างๆที่เกิดจากการทําบาปของเรานี้เองนี่แหละคือสภาพของกายทิพย์เวลาที่ตายหรือเวลาที่นอนหลับเหมือนกันต่างกันตรงที่ระยะเวลาที่สั้นหรือยาวไม่เท่ากันถ้านอนหลับนี่มันก็แค็งเพียงไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวก็ตื่นขึ้นมาแต่ถ้าตายนี่มัน มันก็จะยาวไปเลยจนกว่าอำนาจของบุญหรือบาปนี้มันหมดกำลังเหมือนกับเหมือนกับเทปที่เราอัดไว้เราก็เปิดดูไปจนกว่าเทปมันจะหมดนะมันถึงจะเรื่องมันถึงจะจบมันถึงจะไปเกิดเป็นมนุษย์ได้ใหม่นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนถ้าเราจะเชื่อหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อมันเป็นเรื่องของความจริง แต่สิ่งที่ความเชื่อจะช่วยพวกเราได้ก็คือถ้าเราเชื่อว่านี่เกิเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับกายทิพย์ของเราเกิดขึ้นกับตัวเราเวลาที่เราไม่มีร่างกายก็คือเราจะได้เรื่องราวที่ไม่ดีในขณะที่เราไม่มีร่างกายหรือได้เรื่องราวที่ดีก็อยู่ที่บุญที่บาปที่เราทำกันถ้าเราไม่อยากที่จะฝัน้ายไม่ได้อยากจะฝันแต่เรื่องที่เลวร้ายต่างๆ เราก็อย่าไปทาบาปกันหรือทําบาปให้น้อยกว่าทําบุญเราต้องพยายามทาบุญให้มากๆเพื่อเราจะได้สะสมเรื่องดีๆไว้ในใจให้มากกว่าเรื่องที่ไม่ดีนั่นเอง mm hmm. เวลาที่ร่างกายตายไปใจของเราที่เป็นกายทิพย์นี้ mm hmm. ก็จะได้มีเรื่องดีๆออกมาให้เราเสกกัน mm hmm. เราก็จะไปสวรรค์กันนั่นเองนี่แหละคือเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายของเรานี้ตายไปแล้วมันจะเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไม่ไปไม่ไปแก้ความจริงได้ถ้าทำบาปมากกว่าบุญมันก็จะมีเรื่องราวไม่ดีให้เราได้เสบในขณะที่เราตายไปถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปเราก็จะได้เรื่องราวที่ดีไว้เสบในขณะที่เราตายไปแล้วพอเรื่องราวที่เราได้เสบ ได้ได้ทำไปมันหมดลงมันหมดกำลังลงเราก็จะมาเกิดใหม่มันมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่แล้วเราก็ต้องมาหาความสุขจากลาบยศสารเสริญสุขกันใหม่แล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการสูญเสียลาบยศสารเสริญสุขไปการนำเนินชีวิตของพวกเราแบบนี้ก็คือการนวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์นั่นเอง ทุกครั้งที่เรามาเกิดเราก็ต้องทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดพากจากของที่เรารักก็คือาลากยศสารเสริญสุขนี่เองและพบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาก็คือความเสความสหรือการสูญเสียของาลากยศสารเสริญสุขไปนี่เองชีวิตของเราก็เลยจะวนเวียนอยู่กับกองทุกข์ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดลง เพราะเรายัางไม่รู้จักวิธีว่าทำอย่างไรเราจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เบื้องต้นเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นกายที่เราไม่ได้เป็นร่างกายและเราเป็นผู้ที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นผู้ที่จะต้องไปพบกับความทุกข์ต่างๆทุกจากการทำบาปทุกจากการ มีความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสทุกที่เกิดจากการมาเกิดมามีร่างกายเพราะเมื่อมีร่างกายมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตายไปนั่นเองนี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องเชื่อก่อนถ้าเราไม่รู้ด้วยไม่สามารถรู้ได้ด้วยตนเองเราต้องเชื่อก่อนว่าเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นกายที่ที่เราเรียกว่าเป็นดวงวิญญาณ ที่เวลาไม่มีร่างกายเราก็จะอยู่ในภพที่สุขบ้างภพที่ทุกข์บ้างขึ้นอยู่กับบุญหรือบาป ท, ที่เราได้ทำเอาไว้<ม>แล้วเวลาเรากลับมาเกิดใหม่มเหตุที่พาให้เรากลับมาเกิดใหม่ก็<ม>เพราะเราเรายังเป็นพวกติดยาเสพติดอยู่นั่นเองกายทิพย์ของเรายังติดกับลาบยศสารเสริญสุขกันยังอยากเสพลาบยศสารเสริญสุขกัน ก็เลยพาให้กายทิพย์ของเรานี้ต้องมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆพอมาเกิดได้ร่างกายก็ต้องมาทุกกับการมีร่างกายเพราะร่างกายมันก็เป็นธรรมชาติที่จะต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตายไปอันนี้คือสิ่งแรกที่เราจะต้องได้ยินได้ฟังได้เข้าใจก่อนและเชื่อว่าเป็นความจริงถ้าไม่เชื่อมันก็ไม่มันก็จะไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เราไป ทำอะไรมันก็ จ, จะเราก็อาจจะไปทําตามที่เราเคยทําต่อไปถ้าเราเคยยังหาความสุขจากราบยศสารเสริญสุขอยู่เราก็จะไปหาต่อไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเรากำลังที่จะไปพาให้เหล่านี้ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเพราะการเสพราบยศสารเสริญสุขนี้ก็เป็นเหมือนกับการเสพยาเสพติดนั่นเองมันจะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอ ได้มาได้เสพเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอพอร่างกายนี้ตายไปมันก็จะไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายนี้มาเสพใหม่แล้วพอได้ร่างกายก็ต้องมาเจอกับความทุกข์ของความแก่ของความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเนี่ยชีวิตของเรานี่วนเวียนอยู่กับการหาความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวโดยคิดว่าสิ่งที่เราเสพนี้มันเป็นความสุขแต่คิดว่าราบยศสรเสริญสุข จากรูปเสียงกลิ่นน้อนนี้เป็นความสุขแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขเดียวเดียวเป็นความสุขที่เวลามันหมดไปนี้มันจะทำให้ใจนี้ทุกข์เพราะว่าจะไม่มีอะไรให้มันเสดอันนี้คือสิ่งแรกที่เราถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและเราได้ยินได้ฟังจากพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้า เชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ได้พบความจริงอันนี้ด้วยพระ อ, องค์เองและหลังจากที่ได้พบความจริงและได้รู้ปัญหาของกายทิพว่าเกิดจากอะไรพระ อ, องค์ก็รู้จักวิธีได้ค้นพบวิธีที่จะแก้ปัญหานี้คือด้วยการแก้ปัญหากําจัดตัวที่เป็นปัญหา ตัวที่เป็นตัวปัญหาที่พาให้เกิดเรื่องราวต่างๆเกิดความทุกข์แก่กายทิพย์ก็คือความอยากของกายทิพย์หนึ่งความอยากเสพราบยศเสรสญสุขนี่และเสพสิ่งที่ละเอียดกว่า น, นั้นอีกก็มีคือการอยากจะเสพความสงบจากาการฝึกสมาธิอันนี้ก็เป็นความความอยากขั้นสูงที่จะต้องละตามไปด้วยถ้าต้องการที่จะแก้ปัญหาได้อย่างราบคาอันนี้ เราต้องมีศรัทธาความเชื่อเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าเราเป็นใครและเราปัญหาของเราตอนนี้คืออะไรปัญหาของเราตอนนี้ก็คือเราเป็นกายที่เราเป็นกายทิพย์ที่ติดยาเสพติดติดลาบยศสารเสริญสุขกันหรือถ้าสูงกว่านั้นก็ติดรูปปัจานและอารูปปัจจานการติดสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวที่พาให้กายทิพย์ของเรานี้จะต้องกลับมา เวียนว่ายตายเกิอดอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากที่จะปลดเปื้องความทุกข์แก้ปัญหาของกายที่เราก็ต้องมาแก้ต้นเหตุของปัญหาก็คือความอยากสามประการนี่เองคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาสามเหตอยากเสพกามก็คืออยากจะเสเพราบยศสรเสริญสุขนี่ เ, เสเพรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาพระ ภาวะตันหาคือการอยากเสพรูปฌานมีภาวะตันหาคือความอยากจะเสพอารูปฌานความอยากเหล่านี้มันเป็นเหตุที่จะทำให้จิตของเราหรือกายทิพย์ของเรานี้จะต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆพอมาเกิดก็ต้องมาทุกข์กันอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดลงจะสิ้นสุดลงได้ก็ต่อเมื่อเราปราบความอยากทั้งสามนี้ให้หมดสิ้นไปจากใจ และ ว, วิธีที่จะปราบความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจพระพุทธเจ้าก็ส่งค้นพบวิธีจะต้องปราบด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเราต้องละการกระทําบาป ก, ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ใจเรากายทิพย์ของเราลงต่ําแล้วก็ปฏิบัติสมาธิและปัญญาเพื่อผลักดันให้ใจขึ้นสูงขึ้นไปสู่ระดับพันิชยานต่อไป เพราะการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้จะเป็นเครื่องมือในการกำจัดความอยากทั้งสามกำจัดการมาทัณหาภาวะทัณหาและวิภวะทัณหานั่นเองเครื่องมือที่เราจะใช้คือศีลแปดศีลแปดนี้จะทำให้เราลดหรือห้ามความอยากในการเสพกามได้เพราะศีลแปดจะห้ามแม่ให้เราเสพกามนั่นเอง ไม่ให้เราน่วมหลับนอนกับใครไม่ให้มีเพศสัมพันธ์กับใครไม้ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาก็ตามต้องเลิก<ม>ถ้าอยากจะถ้าอยากจ ะ, ะช่วยหรือปลดเปลื้องจิตใจหรือกายทิพย์นี้ให้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้จําเป็นที่จะต้องตัดค ว, ความอยากในการเสพกาม การร่วมหลับนอนร่วมเพศการนี้ก็เป็นการเสพกามอย่างหนึ่งแล้วก็การรับการเสพอาหารเพื่อความสุขก็เป็นการเสพกามอีกอย่างรับประทานอาหารนี่มีรับประทานได้สองรูปแบบรับประทานเพื่อเลี้ยงดูร่างกายเป็นเหมือนรับประทานยาอันนี้ไม่ได้เป็นการเสพกามเป็นการเลี้ยงดูร่างกายเพราะร่างกายนี้จําเป็นที่จะต้องมีอาหารไว้หล่อเลี้ยงมีธาตุสีไว้หล่อเลี้ยงก็ต้อง ก็ต้องให้มันมีปริมาณเท่าที่ร่างกายต้องการก็พอแต่ถ้าเสพเพื่อความสุขเสพเพื่อให้มีความสุขจากการได้เสพริ้มรสของรสชาติของอาหารกลิ่นของอาหารรูปรูปของอาหารอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเสพกามเสพแบบนี้ก็ต้องต้องห้ามต้องไม่ให้ทําวิธีที่จะไม่ให้เสพกามจากการรับประทานอาหาร ก็คือไม่ให้รับประทานมากเกินไปรับประทานเพียงวันละครั้งหรือสองครั้งก็พอและไม่เกินเที่ยงวันไปนี่คือศีลข้อหกมีไว้เพื่อที่จะปลาลมเพื่อเพื่อจะปลาลมกา ม, มาตฐาหาความอยากจะเสพกามจากอาหารจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระของอาหารแล้วก็ศีลข้อ7ก็ห้าไม่ให้ไปเสพกามจากการไปดูไปฟังไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยว หรือตามเอะลงมหรสพสถานบันเทิงต่างๆอันนี้ก็เป็นการเสกกรรมกรรมตัณหาที่จะต้องใช้ศีนี้เป็นเครื่องกลามไว้ก่อนแต่ยังไม่สามารถกําจัดมันได้อย่างถาวรเพียงแต่เป็นเหมือนกําแพงกั้นไว้กั้นไม่ให้ไปเสกกรรมแต่กรรมนี้ยังยังการความอยากเสกกรรมยังมีอยู่ในใจอยู่ศีนี้ไม่สามารถทําลายหรือกําจัดความอยากจะเสกกรรมได้ เพียงแต่ว่ า, าล้อมกรอบมันไว้ไม่ให้มัน <c oughs> ไม่ให้มันออกไปที่ที่ไกลจนที่ยากต่อการควบคุมบังคับนั่นเองเราต้องล้อมมันไว้ให้อยู่ในกรอบของศีลคือไม่ให้มันทำให้มันไม่ให้มันทำเพื่อที่เราจะได้เอาเวลาที่เราเอาไปใช้กับการเสพกามนี้มาสร้างเครื่องมือเพื่อที่จะมาทําลายการเสพกามได้อย่างถาวรต่อไป นี่คือการถือสินแปดข้อแปดสินข้อแปก็คือไม่ให้เราเสพกามด้วยการหลับนอนมากเกินไปเวลาที่เรานอนแล้วมันสบายนี้ก็เรียกว่าเป็นการเสพกามนะเราต้องการนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายที่ต้องมีเวลาพักผ่อนแต่พอร่างกายได้รับพักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาถ้าเรานอนบนเตียงที่สบายเราก็จะไม่อยากจะลุกเราอยากจะเสพความสบความสุขความสบาย ของร่างกายที่ได้สัมผัสกับที่นอนอันนุม่มอันสบายอันนี้เราก็เลยต้องไม่นอนบนที่เตียงที่นอนที่มันสบายให้นอนบนที่ที่นอนที่มันไม่สบายให้นอนบนพื้นแข็งแข็งถ้าบนนอนบนพื้นแข็งแข็งนี่มันจะไม่สบายเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมามันจะไม่อยากจะนอนต่ออันนี้เป็นการห <c oughs> ้ามไม่ให้ใจไปเสพกาม เพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปใช้กับการเสพกามนี้มาสร้างเครื่องมือเพื่อมาทําลายกามให้มันหมดไปกามวัตตัณหาและภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาให้หมดไปเครื่องมือที่จะทําลายกามวาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาที่มีอยูในใจได้ก็คือสติสมาธิและปัญญาตามลําดับนั่นเองเบื้องต้นก็ต้องสร้างสติก่อนจเจริญสติ พอสตินี้จะเป็นตัวที่จะหยุดความคิดได้แล้วถ้าหยุดความคิดได้ก็จะหยุดความอยากได้เพราะความอยากมันต้องมีความคิดเป็นตัวนำไปต้องคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนถึงอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่เกิด <B agenda> ถ้าเราคอยควบคุมความคิดแม้มันคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะไม่ให้มันไปคิดถึงลาภยศสารเส ร, ริญ ได้มันก็จะไม่ไปมันความอยากที่จะอยากได้ลาบยุตรเสริญอยากได้ลูกเสียงกลิ่นลดมันยากเกิดขึ้นไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สามารถห้ามมันได้ตลอดเวลาเพราะสติของเราบางทีก็เผลอได้พอสติช่วงไหนที่มันเผลอความอยากมันก็โผล่ขึ้นมาได้แต่ในเบื้องต้นเราก็พยายามที่จะคอยหยุดมันด้วยสติไปก่อนเพราะการใช้สตินี้มันเป็นสิ่งที่ง่ายและ และมันเป็นสิ่งที่ต้องทําก่อนคือเราต้องทําใจให้นิ่งให้สงบให้มันหยุดความอยากชั่วคราวให้ได้ให้มันหยุดได้ชั่วคราวก่อนและขณะจิตที่มันนิ่งมันสงบมันก็จะทําให้เราได้ได้พบกับความสุขที่เกิดจากความนิ่งความสงบที่จะทําให้เรามีทางเลือกในการที่เราจะไปหาความสุข ถ้าเราสามารถหาความสุขจากความนิ่งความสงบของใจได้ทุกครั้งที่เราอยากจะไปหาความสุขจากราบยศเสริฐเสริญจากรูปเสียงกิ่นรสเราก็เปลี่ยนมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบมานั่งสมาธิมาเข้าฌานขั้นต่างๆได้แล้วพอเราสามารถทำได้อย่างนี้แล้วเราก็จะมีเวลาที่เราจะสามารถที่จะมาเจริญปัญญาต่อไปได้ มาสอนใจให้เห็นโทษของการมีความอยากว่าความอยากนี้จะพาให้ใจของเรานี้ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆและสิ่งที่เราอยากนี้มันก็เป็นของที่จะทําให้เราทุกข์ได้เพราะว่ามันเป็นของชั่วข่าวมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เราอยากให้ลาภยศรเสริญสุขให้ความสุขกับเราไปตลอดแต่เราก็สั่งมันไม่ได้เพราะมันเป็นของไม่แน่นอน มันดีคนดีมันก็จะหายไปหมดไปก็ได้พอมันหายไปหมดไปความสุขที่ได้จากมันก็หายไปกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแทนที่ถ้าเราเห็นความทุกข์ในราบยศสารเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะหยุดกา ม, มาตัณหาได้เช่นเดียวกันถ้าเราเห็นว่ารูปประชานและรูปประชานที่เราใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขแทนการหาความสุขจากราบยศสรเสริญ มันก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกนันก็เป็นอนิจจังเหมือนกันมันเป็นอนัตตาเราสั่งให้มันเป็นถาวรไม่ได้เวลามันเสื่อมมันหมดไปมันก็ทำให้เราทุกข์ได้เราก็ต้องเลิกเศษเหมือนกันเลิกเศษ ร, รูปฌานเลิกเศษบาลูปฌานพอเราเลิกเศษทั้งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้หมดไม่ว่าจะเป็น ลาบยศสารเสริญ ส, สุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ว่าจะเป็นรูปประชานไม่ว่าจะเป็นนามรูปปัจจานพอเราลาบได้หมดแล้วใจเราก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจต่อไปไม่มีอะไรที่จะมาบีบคั้นให้ใจต้องไปดิ้นลนไปแสวงหามาเสกมาให้ความสุขกับใจต่อไปเพราะใจมีความสุขเต็มที่อยู่ตลอดเวลาอยู่ในใจ เพราะว่าได้กําจัดตัวที่มาคอยขวางกัน้นความสุขที่มีอยู่ในใจอยู่แล้วก็คือความอยากต่างๆนี่เองเพอความอยากต่างๆได้ถูกกําจัดไปหมดแล้วใจก็จะมีแต่ความสุขโดยธรรมชาติของใจเป็นอย่างนั้นหาสาเหตุที่ใจของพวกเราไม่มีความสุขกันเพราะถูกความอยากมันมามันมาบดบังค ว, ความสุขของใจของเรานี่เองพอเราทาลายความอยากที่มีอยู่ในใจของเราหมดไปได้แล้ว ความสุขที่เป็นความสุขที่เป็นธรรมชาติของใจมันก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้สัมผัส น, นี่แหละที่เราเรียกว่าความสุขของพันิพภานเป็นความสุขของใจที่ปราศจากความอยากพอเราทําลายความอยากทั้งสามได้เราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเราจะมีแต่ความสุขและเราจะไม่ต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราไม่มีความอยากที่จะไปเสพลาบยศสรรเสริญสุข ไม่มีความอยากที่ไปเศษรูปรรออรประชานหรืออรูปปัจจานอีกต่อไปใจของเราก็จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดใจของเราก็จะอยู่ที่นิพพานไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือที่อยู่ของพระพุทธเจ้าและของพระอนานตสาวกทั้งหลายหลังจากที่ร่างกายของท่านตายไปแล้วกายทิพย์ของท่านก็จะอยู่ที่นิพพานนี้ไม่ได้สูญหายไปไหนเขาว่านิพพานสูญนี้ท่านหมายถึง ใจที่สูญจากความทุกข์สูญจากการวินว่ายตายเกิดใจที่สูญจากความอยากทั้งหลายทั้งปวงนี่เองคำว่าหมายของคาว่านิพานสูญหนึ่งคือสูญจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองแต่ตัวนิพานตัวใจที่เป็นนิพานนี้ไม่ได้สูญ<ม>เพราะใจนี้เป็นของที่ไม่มีวันตายสูญไม่ได้ใจนี้อยู่ต่อไปไม่ว่าจะไปจะเป็นนิพานหรือไม่เป็นนิพานใจมันเป็นได้สองแบบ ถ้าไม่เป็นนิพพานมันก็เป็นสังสารวัตมันก็เวียนว่ายตายเกิดถ้ามันไม่ถ้ามันไม่เป็นสังสารวัตมันไม่เวียนว่ายตายเกิดมันก็เป็นนิพพานก็คือมันไม่ไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่ใจนี้ไม่มีวันสูญไม่ต้องกลัวปฏิบัติไปถึงนิพพานแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะหายไปไหนยังอยู่เต็มที่เหมือนเดิมแต่จะอยู่กับความสุขอยู่กับบรลลมาสุขไม่ได้อยู่กับบรลมทุกข์อย่างที่เรากําลังเป็นอยู่ในขณะนี้ อันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจึงไม่ควรปล่อยโอกาสอัน ม, ม, มีมีค่ามีประโยชน์นี้ผ่านไปโดยไม่ได้โดยไม่ได้มาศึกษาและนาเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปปฏิบัติเพื่อสร้างประโยชน์สุขที่เลิศที่สุดให้กับชีวิตของเราการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา อยาขออนุโมทนาให้พร อ, อยาทาวาลวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตจินามเปตานังอุ ป, ปกบปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติราโสยธาสะพิติโยวิวาจันตุสะพารโขวินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขิตีขายุโกภวะอภิวาตนะสีลิสะนิจังวุฒาปจายโน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 พราหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะถามตอบทงางๆอยากจะถามเองก็เข้ามาถามได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งข้อความเข้ามาทางเพจทาง YouTube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เจ้าขาทาง Facebook พระอาจารย์485 YouTube พระอาจารย์290 YouTube อกเร V 70วิทีออนไลน์11 ขับเฮาสินาคุติก้าสิบเอรวมทั้งหมด9 5้า้อยห้าสิบเจ็ดท่านะะถ้ามีคำถามอะไรก็เชิญถามได้คําคำถามจากทางบ้านเจ้าค่ะคุณปุ้ยพีลูกได้ทำสมาธิจนสงบได้ในระดับหนึ่งแล้วมีอาการมึนหัวเหมือนจะถูกดึงเข้าไปลึกๆ ด้วยความกลัวและตกใจจึงถอนออกมาอาการนี้ใช่อาการที่จะเข้าไปในสมาธิในระดับที่ลึกกว่าเดิมหรือเปล่าครับมันก็ไม่ก็ลองดูสิลองเวลา ม, มันมีอาการล้วก็อย่าไปสนใจมันให้อยู่กับพุทธโธไปพุทธโธไปแล้วดูลมไปถ้าะจิตจะมีอาการอะไรก็เรื่องของมันไปมันเป็นเรื่องของการวงแต่งของจิตถ้เดี๋ยวมันก็จะสงบหลังจากนั้นมันก็จะสงบ คำถามจากคุณทองลิ้มทำไมเวลาเราฝันพอไม่มีสัญญาความจำทำไมรู้สึกว่าจิตนรเหมือนไม่ได้ขัดเราเลยสักนิดมีความโลภความโกรธความหลงติดมาตลอดแล้วเห็นได้ชัดกว่าเข้มข้นมากกว่าตอนตื่นมีสติก็แล้วแต่นะบางทีมันจะชัดตอนไหนก็มันก็ชัดตอนนั้นแหะไม่ต้องไปถามว่าทำไมนะก็รู้ตามความเป็นจริงก็แล้วกัน มคำถามจาก youtube อกร์วเกิดทําไมสุขทําไมทุกข์ทำไมเป็นกรรมคืออะไรครับโลกนี้มันก็มีสุขมีทุกข์สลับกันไปเพราะโลกมันกลมมันมันหมุนมันไม่อยู่เฉยเฉยมันก็หมุนไปความสุขความทุกข์มันก็ตามกับการหมุนของโลกไปบางวันก็ร้อนบางวันก็เย็นบางวันก็หนาวมันก็ทําให้เกิดความสุขความทุกข์ชนิดต่างๆตามมาถ้าเราไม่อยากจะ เจอเรื่องงานเหล่านี้เราก็อย่ามาเกิดกันคำถามคุณพากามาถ้าต้องอยู่กับคนที่ไม่จริงใจต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะเราก็เราก็ทําตัวเราเป็นปกติเรวก็ทําตัวเราให้เป็นคนดีมีเมตตาอส่วนเขาจะดีจะชั่วมันก็เรื่องของเขาไปไม่เกี่ยวกับเราหมดแล้วเหรอคุณหมอเชิญไหนจะถามอะไร ขอกล่าวเรียนถามพระอาจารย์ยยยขอกล่าวเรียนถามพระอาจารย์ค่ะกายปากในนู่นมามันอยู่ข้างบน อ, อ๋อขอโทษ <laughs> ขอกล่าบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคือในกรณีที่คนไข้ที่ป่วยเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็จนจะเสียชีวิตเนี่ยเขาปฏิบัติมาแต่ว่าพัลเลีสุดท้ายก่อนเสียชีวิต ถ, ถ้าต้องได้มอร์ฟีนเขาจะไม่มีสติพระอาจารย์คือาอาจจะพูดโทไม่ได้พระอาจารย์มีคําแนะนําอะไรให้กับญาติเขาที่จะช่วยเขาได้ไหมคะหมายถึงตอนจะไปแล้วอะค่ะพระอาจารย์ คืออะไรมันก็มาเปลี่ยนสติเราไม่ได้ถ้าเรามีสติมันก็มีสตินะันมันเป็นเรื่องของเรื่องของจิตเองมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายถ้าจิตมันมีสติอยู่ต่อให้กินยงกินยาอะไรไปมันก็นอกจากมันหลับไปเท่านั้นแหะถ้าหลับไปมันก็ไม่มีสติแต่มันไม่มีผลต่อการไปเกิดว่าจะไปเกิดไปสวรรค์หรือไปนรกมันอยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่วาระสุดท้ายของจิต มันอยู่ที่ผลของบุญของบาปที่เราทําไว้ที่เขาทำว่ามันอันไหนมันมีมากกว่ากันถ้าผลบาปมันมากกว่ามันก็ไปทุกติถ้าผลบุญมันมีมากกว่ามันก็ไปสุกติถ้าจิตมันเป็นนิพพานมันก็ไปนิพพานมันไม่ได้อยู่ที่วารสิตสุดท้ายว่าจะมาทําให้มันเป็นอย่างอื่นไปได้ไม่ต้องไปกังวลกังวลตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่กระทาจิตให้เราเป็นนิพพานหรือทําให้จิตเราเป็นทย่างนี้จะดีกว่า ถ้าจิตเรายังเป็นดานรกก็รีบทำให้มันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานไปค่ะอย่างั้นแสดงว่าเร า, เราก็คงไม่ต้องแนะนำํำหรือว่าให้เปิดเสียงธรรมก็ไม่ต้องใช่ไหมคะอาจารย์หมายถึงแนะนําญาติเขาอะไม่ต้องเลยมันก็อยู่ที่คนไข้นะ่ะมันเขาอยากจะฟังรึเปล่าในชะ่ไ่ะบางทีเขาลาคาญนะ <c oughs> อย่าเป็น ถามเมื่อก่อนนะจะอยากจะถามขนาะที่เขามีชีวิตอยู่เขานขาะที่เขาสบายสบายเขายังไม่ฟังเลยแม้ตอนนี้เขาจะตายเขาจะมามีกระติกกระจายจะฟันเลยก็ต้องถามมนไข่เนี่ยเขาต้องการจะให้ทําอะไรให้กับเขาแต่เขาบอกเล่าสักขวดก็เล่รอีกคนจิดมอฟีคงจิตไม่ได้ขอบพระคุณจ้า มัถามจากคุณแดงการไม่เกิดมาอีกต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างคะตัดความอยากในลาบยศสรรเสริญสุขไปอย่าไปหาลาบยศสรรเสริญอย่าไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสไปบวชอยู่เป็นพระแล้วก็จะไปนิพพานได้จากคุณอชาราหนูรู้สึกว่าตัวเองไม่กลัวความแก่และความตายแต่ยังกลัวความเจ็บปวด เวลาเกิดความปวดก็ยังเป็นทุกข์กับความปวดและยังอยากให้ความปวดหายไปหนูควรต้องฝึกอย่างไรเพื่อไม่ให้ทุกข์กับความปวดคะก็ต้องฝึกสมาธิฝึกสติให้เยอะๆเวลาเกิดความเจ็บปวดในขณะนั่งก็ใช้สติใช้สมาธิสู้กับมันไปต่อไปเราก็จะไม่กลวัวถ้าเรามีสติมีสมาธิมากขึ้นใจเราก็จะเฉยจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกับความเจ็บปวดของทางร่างกายได้ ตอนนี้เรายังขาดสติขาดสมาธิกันพยายามฝึกสติให้มากๆกฝึกก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิพอเรามีสติเวลามานั่งสมาธิใจเราจะนิ่งจะเฉยพอเวลาร่างกายเกิดอาการเจ็บปวดก็ไม่เดือดร้อนสามารถอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้เั็นพยายามขยันฝึกสติอยู่เรื่อยๆพยาันาพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ อย่าปล่อยให้ใจคิดเลอะเปื่อยคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดหยุดมันดีกว่าเพราะถ้าหยุดมันได้เวลานั่งสมาธิมันจะสงบได้ง่ายเวลาจิตสงบแล้วมันจะไ ม, ไม่ไม่วุ่นวายไปกับความเจ็บของทางร่างกายร่างกายเจ็บมันก็เฉยได้หมดแล้วเหรอโอเคมีใครอยากจะถามอะไรไมอยจะให้พูดต่อหรืออยากจะให้จบ พูดต่ อ, อ, อก็ข้อสอบของเราทุกคนก็คือความแก่ความเจ็บความตายร่างกายของเราทุกคนจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราสามารถที่จะผ่านผ่านความแก่ผ่านความเจ็บผ่านความตายได้โดยที่ไม่เดือดร้อ น, อนถ้าเราซ้อมไว้ก่อนเราเตรียมตัวทํากันบ้านไม่ก่อนอันนี้เราซ้อมเป็นคนแก่กันก่อนคนแก่เขาเที่ยวไม่ได้เราก็อย่าไปเที่ยวั คนแก่ก็ไปกระโดดโลดเต้นไปไปเลี้ยงฉลองไปกินไปดื่มไม่ได้เราก็ตอนนี้เราก็ลองฝึกอยู่อย่างนี้นก่อนหยุดอยู่แบบนั้นคนแก่ที่ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วต่อไปเวลาแก่ก็จะไม่ทุกข์มีคำถามต่อน้อมกับนมัสการคระพระอาจารย์ Uh, ถ้าสมมุติว่าเพื่อนขอตังเรากินเหล้าแล้วเราก็ให้เขาเราจะได้บุญหรือได้บาปอะคะพระอาจารย์เราได้บุญแต่เขาจะได้บาปเราได้บุญเราได้เพเราเสียเงินไปเราบร <c oughs> ิาจากไปเพียงแต่ว่าเราเราไปทําให้เขาได้ทําบาป <c oughs> พอการดื่มความจรดื่มชา น, นลาก็ยังไม่บาป เ, าเป็นการ <c oughs> เป็นการเสียระบายอย่างมุก แล้วก็อาจจะทําให้เขามึนเมาแล้วเขาอาจจะไปทําบาปต่อไปได้อาจจะไปทุบทุบไปทุบตีลูกเมียเขาอย่างนี้อ๋อค่ะก็เขาเจอหน้าหนูเขาก็จะขอตลอดแต่หนูก็ให้ตลอดมึงก็อย่าให้เขาไปฮะอย่าให้เขาไปเราให้ได้แต่ยาให้ข้าวได้ให้น้ําได้ให้อะไรได้แต่ของที่เป็นพิษไม่อยากจะให้อ๋อเช้าค่ะพระเจะาแต่คนให้ไม่ไม่บาปหรอก แต่คนที่คนดื่มอ่ะจะบาปพอดื่มแล้วเดี๋ยวเกิดอาการมึนเมาคุ้มคลั่งขึ้นมาอาจจะกลับมาตีเราก็ได้นะแล้วก็ศินข้อนี้คือเล็กสุดผิดเล็กสุดใช่ไหมคะพระอาจารย์ตอนเย็นมันยังไม่เป็นบาปนะการดื่มชราอันค่ะถ้าดื่มชรามาแล้วก็นอนอย่างนี้มันก็ไม่ไปทําบาปทำกรรมเลยแต่กลัวเวลามันเมาแล้วมันไม่มันไม่นอนเลยมันไปอาละวาด S <S ไปด่ดาเขาไปทุบตีเขาไปทําร้ายข้าของเนี่ยอันนั้นมันถึงจะเป็นบาปใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่ดื่มเขาก็จะไม่ทํำเงถ้าเขาไม่ดื่มเขาไม่เมาเขาก็จะมีสติเขาก็จะควบคุมอารมณ์เขาได้เจ้าค่ะพอเขาไม่พอเขาดื่มเขามาเขาไม่มีสติเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขา อ, อยากจะดา่าใครเขาก็ดา่าใครเขา อ, อยากจะตีใครเขาก็ตีเราก็เพิยงแตไปส่งเสริมให้เขาไปทําบาปต่อไป ถ้าเขาเดื่มแล้วเมาขับรถไปเดี๋ยวไปชนคนตายอย่างเงี้ยคนที่ไม่รุ่ยหน่อยเนย่ก็ต้องตายเพราะการี่ยทํำของเขาก็ mm hmm. าบอกเขาที่ว่า mm hmm. การเดือดร้นี่เราไม่สนับสนุนพูดตรงไปตรงมาเลย mm hmm. ถ้าพี่เดือดราเรื่องข้าวจะซื้อข้าวให้กินถ้าไม่มีค่าเช่าบ้านจะค่าเช่าบ้านให้อะไรว่าไปแต่ขอทีแต่ อ, อย่าไปดื่มโซลาเลยไม่อยากจะสนับสนุนให้พี่ไปทําบาปอะไร พูดเข้าไปตรงๆอนี้ดีกว่าถ้าเขาไม่อยากจะคบกับเราก็ดีจะได้ไม่ต้องมาของเงินเราต่อไปเล่นใจเขาทำไมเจ้าค่ะอาจารย์กราบขอพระคุณมากค่ะยังไม่ดีเลยนี่เป็นคำถามจากคุณเปียมาก ถ, ถ้าเราเป็นคนพูดไม่หมดพวกความหมายจะตรงข้ามกับความเป็นจริงอย่างนี้เราผิดศีลไหมคะ ถ้าไม่พูดความเท็จก็ไม่ไม่ไ ม, มผิดศีลพูดไม่หมดมันก็ไม่ถือว่าเป็นการพูดโกหกนี่พูดครึ่งเดียวเราคนนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่วงเล็บเขาเขาชอบตีเมียเขาอย่างนี้เขาชอบแต่เราไม่พูดส่วนที่ไม่ดีของเขาก็ไม่บาปว่าเราไม่ได้โกหกแล้วพูดในส่วนที่ดีของเขาโอ เ, นะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องข้อสอบเรามีสามข้อนะความแก่เราต้องเจอความแก่ เราจะทำไงเพื่อเวลาตอนที่เราแก่แล้วเราจะอยู่อย่างสุขสบายก็คือเราต้องฝึกตอนนี้ฝึกฝึกอยู่แบบคนแก่คนแก่ก็ไปไหนไม่ไปไหนมาไหนไม่สะดวกไม่สบายก็ไม่ไปไหนหัดอยู่บ้านหันทาความสุขจากการอยู่บ้านนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปตามภาษาคนแก่เราไปเวลาเราแก่เราก็จะได้ไม่เดือดร้อน เช่นเดียวกับเวลาเราเจ็บไข้แนป่ป่วยมันก็ต้องปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เราก็มาฝึกนั่งสมาธิกันนั่งสมาธิาธเวลาร่างกายเกิดอาการป่วยเราก็ใช้สติใช้สมาธิช่วยระ ง, งับใจของเราไม่ให้ทรมานได้ถ้าเราฝึกฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเวลาเราเจอความเจ็บเราจะไม่เดือดร้อนแล้วเช่นเดียวกับความตายเราก็ต้องมาคิดอยู่เรื่อยว่าวันหนึ่งเราก็ร่างกายนี้ก็จะต้องตายจากเราไป มันไม่อยู่กับเราไปตลอดถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนเวลาร่างกายจะตายเราจะไม่ทุกข์เนี่ยแต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้เดี๋ยวเวลาเกิดขึ้นมันจะตกใจมันจะกลัวมันจะทุกข์มากนี่แหละคือข้อสอบของชีวิตที่พวกเราต้องมาศึกษาและมาทำการบ้านกันทำการบ้านด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา แล้วต่อไปเวลาเจอข้อสอบเราได้ทำข้อสอบได้เราก็จะได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอ่านไหมยังไม่มีมโอเคถ้าไม่มีแล้วก็อาท่านที่ก่อนก็นแล้วกันนะขอให้ท่านจงแนวเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิษฐ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด